พุทธธรรมจะบับรับขยายชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทที่8ข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจสมถะวิปัสสนาเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ข้อควรทราบต่อไปนี้ส่วนมากเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติที่ควรจะพูดถึงในตอนต่อไปแต่มีข้อความบางแห่งในตอนนี้พลาดพิงถึง จึงนำมาอธิบายไว้ลราวหนึ่งก่อนเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่ผ่านในตอนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นหัวข้อที่หนึ่งสมถะวิปัสนาสมถะแปลง่ายๆว่าความสงบแต่ที่ใช้ทั่วไปหมายถึงวิธีทาใจให้สงบขยายความว่า ได้แก่ข้อปฏิบัติต่างๆในการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบจนตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงขั้นได้ฌานระดับต่างๆจุดมุ่งของสมถะคือสมาธิซึ่งหมายเอาสมาธิขั้นสูงที่ทำให้เกิดฌานหลักการของสมถะคือกำหนดใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าอารมณ์ ให้แน่วแน่จนจิตน้อมดิ่งอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียวเรียกกันว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือจิตมีอารมณ์อันเดียวความแน่วแน่หรือตั้งมั่นของจิตนี้เรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิแนบสนิทเต็มที่แล้วก็จะเกิดภาวะจิตที่เรียกว่าฌานซึ่งแบ่งเป็นระดับต่างๆ ระดับที่กําหนดอรูปธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่ารูปฌานหรือเรียกง่ายๆว่าฌานมีสีขั้นระดับที่กําหนดอรูปธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่าอรูปฌานมีสีขั้นทั้งรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่เรียกรวมกันว่าสมาบัติแปด ภาวะจิตในฌานนั้นเป็นภาวะที่สุขสงบผ่องใสไม่มีความเศร้าหมองคุณมัวไม่มีสิ่งรบกวนให้สะดุดหรือติดข้องอย่างใดๆเรียกว่าปราศจากนิวรณท่านอนุโลมเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นจากกิเลสตลอดเวลาที่ยังอยู่ในฌานนั้นๆแต่เมื่อออกจากฌานแล้วกิเลสกลับมีได้อย่างเดิมท่านจึงเรียกว่า เป็นวิคัมพนนิโรธหรือวิคัมพนวิมุตตคือดับกิเลสหรือหลุดพน้นด้วยเอาสมาธิข่มไว้ดังเด็กล่าวแล้วข้างตน้นนอกจากฌานแล้วสมถะยังมีผลพลอยได้ที่สืบเนื่องจากฌานนั่นอีกคืออาจทำให้เกิดความสามารถพิเศษที่เรียกว่าอาพิญญาห้าอย่าง ได้แก่แสดงริดได้อ่านใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้กูทิปและตาทิปอย่างไรก็ดีเมื่อใช้อย่างหลุมหลวมๆหรือพูดอย่างกว้างๆสมถะก็คือการทำให้สงบหรือการทำจิตให้เป็นสมาธิและบางคราวก็หมายถึงตัวสมาธินั่นเอง ว่าตามจริงความหมายของสมถะที่ว่าคือตัวสมาธินี่แหละเป็นความหมายที่ตรงตามหลักวิชาทั้งฝ่ายอภิธรรมและฝ่ายพระสูตรเพราะไม่ว่าจะเจริญสมถะจนได้ฌานสมาบัติหรืออภิญญาเป็นผลสมรสูงพิเศษเพียงใดก็ตามเนื้อแท้ของสมถะหรือตัวสมถะหรือแก่นของสมถะที่ให้ผลเช่นนั้นก็คือสมาธินั่นเอง ในอังคุตระนิกายจักการนิบาทเมื่อกล่าวถึงอินรี่ห้าท่านใช้คำว่าสมถะแทนสมาธิและวิปัสนาแทนปัญญาโดยตรงทีเดียวเป็นศรัทธาสติวิริยะสมถะวิปัสนาแทนที่จะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างในความร้อยแก้วตามปกติ วิปัสสนาแปลง่ายๆว่าการเห็นแจ้งหรือวิธีทําให้เกิดการเห็นแจ้งมาถึงข้อปฏิบัติต่างๆในการฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชาตสิ่งทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมันคือให้เข้าใจตามความเป็นจริงหรือตามที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของมันเองไม่ใช่เห็นไปตามที่เราวาดภาพให้มันเป็น ด้วยความชอบความชังความอยากได้หรือความขัดใจของเรารู้แจ้งชัดเข้าใจจริงจนถอนความหลงผิดรู้ผิดและยึดติดในสิ่งทั้งหลายได้ถึงขั้นเปลี่ยนท่าทีต่อโลกและชีวิตใหม่ทั้งท่าทีแห่งการมองการรับรู้การวางจิตใจและความรู้สึกทั้งหลาย ความรู้ความเข้าใจถูกต้องที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระหว่างการปฏิบัตินั้นเรียกว่าฌานมีหลายระดับฌานสำคัญในขั้นสุดท้ายเรียกว่าวิชาเป็นภาวะตรงข้ามที่กำจัดอวิชชาคือความหลงผิดไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงให้หมดไป ภาวะจิต ท, ที่มีฌานหรือวิชานั้นเป็นภาวะที่สุขสงบผ่องใสและเป็นอิสระเพราะลอยตัวพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสเช่นความชอบความชังความติดใจและความขัดใจเป็นต้นไม่ถูกบังคับหรือชักจูงโดยกิเลสเหล่านั้นให้มองเห็นหรือรับรู้สิ่งต่างๆอย่างบิดเบือนจนพาความคิดและการกระทำที่ติดตามมาให้หันเหเฉไป และไม่ต้องเจ็บปวดหรือเร่าร้อนเพราะถูกบีบคั้นหรือต่อสู้กับกิเลสเหล่านั้นฌานและวิชาจึงเป็นจุดมุ่งของวิปัสสนาเพราะนำไปสู่วิมุตคือความหลุดพ้นเป็นอิสระที่แท้จริงซึ่งยั่งยืนถาวรท่านเรียกว่าสมุดเฉดนิโรธหรือสมุดเฉดวิมุตแปลว่าดับกิเลส หรือหลุดพ้นโดยเด็ดขาดถ้าพูดอย่างรวบรัดก็ว่าผลที่มุ่งหมายของสมถะคือฌานผลที่มุ่งหมายของวิปัสสนาคือญาณหรือว่าสมถะนำไปสู่ฌานวิปัสสนานำไปสู่ญาณที่พูดว่า สมถะอาจให้ได้อภิญญาห้าซึ่งได้แก่ยานต่างๆพวกหนึ่งนั้นความจริงก็ต้องให้ได้ฌานก่อนและจึงน้อมจิตที่เป็นสมาธิพร้อมดีด้วยกำลังฌานนั้นไปเพื่อได้ยานจำพวกอภิญญาอีกต่อหนึ่งถ้าพูดให้เคร่งรัดจึงต้องว่าสมถะล้วนลวนจบหรือสิ้นสุดลงเพียงแค่ฌานคือไม่เกินเนวะสัญญานาสัญญ า, ญญายตนะฌาน ผู้ปฏิบัติสมถะจำนวนแบบเรียกว่าบำเพ็ญหรือเจริญสมถะอาจทำแต่สมถะอย่างเดียวโดยมุ่งหวังจะชื่นชมเศษผลของสมถะคือฌานสมาบัติและอภิญญาทั้งห้าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาเลยก็ได้เรียกว่าหยุดอยู่เพียงขั้นสมาธิไม่ก้าวไปถึงขั้นปัญญาแต่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา ต้องอาศัยสมถะไม่มากก็น้อยคืออาจเจริญสมถะจนได้ฌานสมาบัติก่อนแล้วจึงก้าวต่อไปสู่วิปัสนาคือเอาฌานเป็นบาดของวิปัสนาเรียกว่าเจริญวิปัสนาที่มีฌานเป็นบาดก็ได้อาจเริ่มเจริญวิปัสนาไปก่อนแล้วจึงเจริญสมถะตามหลังก็ได้หรืออาจเจริญทั้งสมถะ ละวิปัสสนาควบคู่กันไปก็ได้แม้แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าสุทธวิปัสสนาญาณิกคือเจริญแต่วิปัสสนาอย่างเดียวล้วนไม่อาศัยสมาธิเลยก็หมายถึงไม่อาศัยสมถะในความหมายเดียนิ้ปริยายคือความหมายเฉพาะที่เคร่งครัด คือไม่ได้ทำสมะถะจนได้ฌานสมาบัติก่อนเจริญวิปัสนาแต่ตามความเป็นจริงก็อาศัยสมะถะในความหมายอย่างกว้างๆคืออาศัยสมาธินั่นเองสมาธิของผู้เจริญวิปัสนาแบบนี้อาจเริ่มต้นด้วยคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะก็ได้แต่เมื่อถึงขณะที่บรรลุมรรคผล สมาธินั้นจะแน่วแน่สนิทเป็นอัปปนาสมาธิถึงระดับปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งหรือรูปฌปานที่หนึ่งผลที่เกิดจากสมถะอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติหรืออภิญญาที่สูงพิเศษเพียงไรก็ยังเป็นโลกีเป็นของปุถุชนคือคนมีกิเลสเสื่อมถอยได้ เช่นฤทธิ์ที่พระเทวทัตได้เจโตวิมุตติของพระโคติกะและฌานสมาบัติของพระภิกษุสมมเณรฤศีและขรืหัดบางท่านที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาในคำพีต่ตางๆฌานสมาบัติและอาพิญญาที่เกิดจากสมถะนั้นเป็นของมีมาก่อนพุทธกาลเช่นอาลารดาบทกลัมมะโคด ท, ที่ได้ถึงอรูปฌานที่สาม อุทากาดาบทรามบุตรที่ได้ถึงอรูปฌานที่สี่เป็นต้นเป็นของมีได้ในลัทธินอกพระพุทธศาสนามิใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนาเพราะไม่ทาให้หลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ได้อย่างแท้จริงนักบวชบางลัทธิทาสมาธิจนได้ฌานสี่แต่ยังมีมิจฉาทิฏฐิที่เกี่ยวกับเรื่องอัตตาและยึดถือภาวะในฌานนั้นว่าเป็นนิพพานก็มี ละที่เช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธผลที่ต้องการจากสมถะตามหลักพุทธศาสนาคือการสร้างสมาธิเพื่อให้เป็นบาทฐานของวิปัสสนาจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาสำเร็จได้ด้วยวิปัสสนาคือการฝึกอบรมปัญญาที่มีสมาธินั้นเป็นบาทฐาน หากบรรลุจุดหมายสูงสุดด้วยและยังได้ผลพิเศษแห่งสมถะด้วยก็จัดว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงแต่หากบรรลุจุดหมายแห่งวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ได้ผลวิเศษแห่งสมถะก็ยังเลิศกว่าได้ผลวิเศษแห่งสมถะคือได้ฌานสมาบัติและอภิญญาห้าแต่ยังไม่พ้นจากอาวิชชาและกิเลสต่าง อันหนไม่ต้องพูดถึงจุดหมายสูงสุดแม้แต่เพียงขั้นสมาธิท่านก็กล่าวว่าพระอนาคามีถึงแม้จะไม่ได้ฌานสมาบัติไม่ได้อภิญญาก็ชื่อว่าเป็นผู้บําเพ็ญสมาธิบริบูรณ์เพราะสมาธิของพระอนาคามีผู้ไม่ได้ฌานสมาบัติไม่ได้อภิญญานั้นแม้จะไม่ใช่สมาธิที่สูงวิเศษอะไรนัก แต่ก็เป็นสมาธิที่สมบูรณ์ในตัวย่งยืนคงระดับมีพื้นฐานมั่นคงเราไม่มีกิเลสที่จะทำให้เสื่อมถอยหรือรบกวนได้ทั้งนี้ตรงข้ามกับสมาธิของผู้เจริญสมถะอย่างเดียวจนได้ฌานสมาบัติลาพิญญาแต่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้สมาธินั้นจะเป็นสมาธิขั้นสูง มีผลพิเศษแต่ก็ขาดหลักประกันที่จะทำให้ยั่งยืนมั่นคงผู้ดได้สมาธิอย่างนี้ถ้ายัางเป็นปุถุชนก็อาจถูกกิเลสครอบงำทำให้เสื่อมถอยได้หรือแม้จะได้เจริญวิปัสสนาจนบรรลุมรรคผลชั้นโสดาบันหรือพระสกาทาคามีก็ยังมีการมราคะรบกวนหรือบั่นทอนสมาธิได้ ท่านยังไม่เรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญสมาธิบริบูรณ์ความที่ชี้แจงตอนนี้ยังสัมพันธ์กับเรื่องเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ที่จะกล่าวต่อไปอีกในเรื่องของผลที่ต้องการจากสมถะคือการสร้างสมาธิเพื่อใช้เป็นบาทฐานของวิปัสสนานั้น พูดง่ายๆว่าสมาธิที่เลิศประเสริฐสุดก็คือสมาธิที่ช่วยให้ตรัสรู้หรือสมาธิที่ช่วยให้ปัญญากำจัดกิเลสและหลุดพ้นได้เรียกอย่างวิชาการว่าสมาธิที่เป็นองค์แห่งมรรคหรือสมาธิในมรรคคือมรรคะสมาธิสมาธิอย่างนี้มีชื่อเรียกพิเศษว่าอานันตาริกะสมาธิ บางแห่งเพียนเป็นอนันตริกะบ้างอนันตริยะบ้างอนันตริยะบ้างแปลว่าสมาธิที่ให้ผลต่อเนื่องไปทันทีคือทำให้บรรลุอริยผลทันทีไม่มีอะไรขั้นหรือแทรกระหว่างได้สมาธิชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสันเสริญว่าไม่มีสมาธิอื่นใดเทียมเท่า ถึงหากจะเป็นสมาธิระดับต่ำก็ถือว่าประเสริฐกว่าสมาธิอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสมาธิระดับรูปปัจานหรืออรูประชานก็ตามอานันตริกะสมาธินี้ท่านกล่าวถึงในที่อื่นๆอีกทั้งบาลีและอัตถกถาที่ว่าพระอนาคามี เป็นผู้บำเพ็ญสมาธิได้บริบูรณ์แนวอธิบายเช่นในอังกุตระนิกาติกานิบาทพึงเทียบกับวิสุทธิมักมีข้อน่าสังเกตว่าคำพีฝ่ายอภิธรรมกล่าวว่าเมื่อพระอนาคามีสิ้นชีพจะอุบัติในชั้นสุททาวาสแต่สังกหะดีกาไขาความว่า พระอนาคามีย่อมเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งที่ตรงกับชั้นแห่งฌานที่ตนได้กฎมีเพียงว่าพระอนาคามีเท่านั้นเกิดได้ในสุทธาวาสและจัดสุทธาวาสเป็นภพระดับจตุทถาฌานคือรูปฌานที่สี่ทำให้น่าสงสัยว่าพระอนาคามีที่ปฏิบัติมาแบบสุทธวิปัสนาญาณิก คือเป็นสุขาวิปัสสกะอย่างที่กล่าวถึงในวิสุทธิมรรคไม่ได้จตุทถาชานจะไปอุบัติในสุทาวาสได้อย่างไรคำผีอภิธรรมมัทธวิภาวินีคงจะกลัวมีผู้สงสัยเช่นนี้จึงอธิบายว่าพระอนาคามีเหล่านั้นแม้จะเป็นสุขาวิปัสสกะแต่เมื่อถึงเวลาจะมรณะ ย่อมยังสมาบัติให้เกิดขึ้นได้โดยแน่นอนทีเดียวเพราะเป็นผู้บำเพ็ญบริบูรณ์ในสมาธิอยู่แล้วอย่างไรก็ดีบาลีฝ่ายพระสูตรที่อังคุจรณิกายจตุ ก, การนิบาศแสดงว่าผู้ได้ปฐมฌานบ้างตุติยฌ า, านบ้างตติยฌ า, านบ้างจตุทัตฌานบ้างเมื่อเป็นอนาคามีแล้ว ล้วนอุบัตในสุทธาวาสทั้งนั้นในกรณีนี้อัรธกถาก็ไขความออกไปอีกว่าพระอนาคามีเหล่านั้นจเจริญจตุทตาชานได้แล้วจึงอุบัติ